สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่30ข้อที่ 17, 18และ19 3ข้อนะครับโปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าในตาที่เยาะเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมารดาจะถูกกาแห่งหุบเขาจิกออกและแรงจะกินเสียมี3มสิ่งที่ประหลาดเลือสําหรับข้า เออสี่สิ่งที่ข้าไม่เข้าใจคือท่าทีของนกอินทรีในฟ้าท่าทีของงูบนหินท่าทีของเรือในท้องทะเลและท่าทีของชายกับหญิงสาวพี่น้องครับตานั้นเป็นหน้าต่างของดวงใจเป็นคำพูดที่พวกเราทุกคนนั้นได้คุ้นชินและเคยชิน ข้อ17เดนั้นบอกว่าในตาที่เยอะเย้ยบีดาและดูถูกไม่ฟังมารดาตรงนี้ได้พูดถึงคนที่ไม่มีความกระตันอยู่ครับเหมือนกับในข้อที่11บอบอกว่ามีคนที่แช่งบีดาของตนและไม่อวยพรแก่มารดาของตนพี่น้องครับอากูนั้นได้เตือนสอนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกครับเป็นลูกนั้นจะต้องมีความกระตันอยู่กระตะเวทีกับคุณพ่อคุณแม่ ในเวลาเดียวกันนะครับจะต้องไม่แช่งไม่ด่าบิดามาน่าและต้องไม่เยาะเ ย, ะเยะ้ยไม่ดูถูกอย่าที่จะเกิดการไม่เชื่อฟังดื้อรั้นดื้อดึงกับคุณพ่อคุณแม่ของเราตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าอากูนั้นได้ใช้สูตร3 4 3 4และแทรกด้วยคำสอนคำสอน ในข้อที่17คือคำสอนเกี่ยวเรื่องของความกระตันยูเช่นเดียวกับในข้อที่11ครับพี่พน้องครับเราจะเห็นนะครับว่าการไม่เครารพ บ, บิดามารดาการไม่รักการไม่ทดแทนบุญคุณการเนรคุณนั้นเลวร้ายพอๆกับความตะกระที่ไม่เคยอิ่มอันนี้กล่าวในข้อที่15 16นะครับความตะกระที่ไม่เคยอิ่มนั้นก็เลวร้ายครับแต่ การไม่เคารพ บ, บิดามารดาของตนการเนรคุณการไม่มีความกตัญญูกตเวทีการไม่ทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของเรานั้นก็เลวร้ายพอๆกันบุตรที่เยื่อหยิงผู้ที่ดูถูกมารดาของตนดูถูกบิดาของตนมินประมาทเย่ะเ ย, ะเยะ้ยที่แสดงออกทางในตาพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในตาของคนนั้นมันโกหกไม่ได้ แม้ว่าบางคนพูดไปยิ้มไปจิตใจนะครับก็ไม่ถูกต้องไม่ดีมีท่าทีที่ไม่ดีแต่ถ้ามองเข้าไปในตาของเขาพี่น้องครับเราจะเห็นถึงการกรอกของลูกตาเราจะเห็นถึงสีหน้านะครับเราจะเห็นถึงแววตาเนี่ยครับที่ผมอยากจะเน้นคือพระผีนั้นได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอยู่ลึกๆเลยครับเป็นหน้าต่างของหัวใจจริงๆหากพี่น้องมีประสบการณ์พอ พี่น้องก็จะรู้และสามารถที่จะมองเข้าไปในตาของคนและเข้าใจความหมายที่เขากำลังสื่อความหมายจริงๆที่อยู่ข้างในพี่น้องครับใครก็ตามที่ใช้สายตาเยะเยะ้ยใช้สายตาดูถูกไม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ชีวิตเขานั้นจะตายและศพของเขานั้นจะไม่ถูกฝังไว้กลายเป็นอาหารของนกกาครับที่นี่บอกว่าจะถูกกาแห่งหุบเขาจิกออกและแรงจะกินเสีย กลับมาพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่เองในพระวจนะของพระเจ้าในหลายๆตอนก็เตือนว่าอย่ายั่วโทสะของลูกนั่นหมายความว่าอย่าปลุกเร้าชีวิตด้านมืดหรืออย่าปล่อยให้โอกาสที่จะให้มารซาตานมาควบคุมชีวิตของเด็กเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเด็กเหล่านั้นก็จะถูกทาให เสียของหมายความว่า s อย i l ครับทำให้เสียคนพี่น้องครับในเรื่องนี้มีความหมายมากครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่หากไม่จัดการกับพฤติกรรมของเด็กที่ไม่เคารพผู้ใหญ่เขาจะได้รับผลตอบสนองก็คือว่าเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะไม่เคารพคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นการดูแลการที่จะจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมในการวางตัวของเด็ก ลูกหลานของเราที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่นั้นจะต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วในขณะที่เป็นเด็กอยู่พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในทางของพระเจ้าและดูแลลูกด้วยการให้รางวัลที่ถูกต้องและการลงโทษลงวินัยที่ดีในขณะเดียวกันครับคนที่เป็นลูกหากมีพฤติกรรม เช่นที่พระกัมพีว่าไว้ก็ขอให้เราได้มีโอกาสกลับใจใหม่ครับเพื่อที่พระพรของพระเจ้านั้นจะหลางไหลมาถึงชีวิตของพวกเราต่อไปครับจะได้แบ่งปันถึงสีสิ่งที่ไม่เคยอิม่มสีสิ่งที่ไม่เคยอิม่มและสีสิ่งที่น่าประหลาดพี่น้องครับสิที่ผ่านไปนั้นพูดถึงสีสิ่งที่ไม่เคยอิม่มและข้อ1 8บแก็จะพูดถึงเรื่องของ4สิ่งที่น่าประหลาด ครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับก็จะไม่ขอพูดซ้ำแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของ4สิ่งที่น่าประหลาดครับสี่สิ่งที่น่าประหลาดก็คือนกอินทรีงูเรือและผู้ชายกับหญิงสาวนกอินทรีนั้นคู่กับท้องฟ้างูนั้นก็เลื้อยคู่อยู่บนหินและเรือก็แล่นอยู่ในมหาสมุทรและชายก็จับคู่กับหญิงสาวทั้ง4คู่นี้มีความหมาย อากูผู้เขียนสุภาษิตตอนนี้ได้แสดงความปหลัดใจว่านกอินทรีในท้องฟ้านั้นมันมีวิถีการบินท่าทีการบินของมันที่เข้าใจยากแต่ละสิ่งนั้นดูเหมือนว่าวิถีทางของมันที่มันจะมุ่งหน้าไปนั้นก็ไม่สามารถที่จะจับจ้องได้หรือคาดคะเนดได้ พี่น้องครับเราจะมาดูนกอินทรีในท้องฟ้ามันสามารถที่จะทะยานขึ้นไปสูงเท่าไหร่นะครับและลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะมาจับเหยื่อนั่นคือวิถีของมันครับซึ่งเมื่อเราสังเกตเราจะไม่ค่อยรู้วิถีของมันมากสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันครับงูที่อยู่บนหินเราก็ไม่สามารถรู้ว่ามันจะไปซ้ายไปขวามันไม่มีความแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมาก และเรือในมหาสมุทรครับมันไปด้วยหางเสือมันอยู่บนคลื่นมันไปกับคลื่นมันไปกับลมนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้วิถีของมันอย่างชัดเจนหน้าทีของชายต่อหญิงสาวคือการเกี่ยวพาราศีของผู้ชายที่มีต่อหญิงสาวด้วยความรักใคร่ชอบพอสิ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นเรื่องของศิลปะที่ไม่มีใครบอกได้ แต่ละคนมีบทบาทลีลาท่าทีเฉพาะตัวนักวิชาการพระกัมพีบางท่านกล่าวว่าวิถีของทั้ง4อย่างนี้ไม่สามารถตามรอยได้หรือตามรอยได้ไดยากครับนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งได้บอกว่าแต่ละสิ่งสามารถควบคุมเรื่องที่ดูเหมือนว่ายากได้อย่างง่ายได้นะครับบางสานักก็บอกว่าแต่ละสิ่งนั้นไปตามที่ที่ไม่มีหนทาง เราไม่รู้เราไม่สามารถควบคุมได้มีเพียงผู้รู้ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างสปปรรพสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าในโลกนี้นั้นมีหลายเรื่องครับที่เราไม่รู้เราประหลาดใจและต่อมาเราก็อาจจะ discover แปลว่าสิ่งที่เคยถูกปิดไว้ก็ถูกเอาออกแปลว่าการค้นพบครับในขณะที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสปปรรพสิ่งมนุษย์ มีหน้าที่ที่จะดิสค o เวอร์ก็คือทำความรู้จักและเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าก็ได้ให้เราพบกับบางสิ่งบางอย่างและเราก็ประหลาดใจเราไม่เข้าใจบางครั้งก็นำมาซึ่งความเสียใจบ้างบางครั้งก็นำมาซึ่งความท้อใจบ้างบางครั้งก็นำมาซึ่งความยินดีปรีดาพี่น้องครับสิ่งต่างนั้นเราไม่อาจจะเข้าใจได้ถ้าพระเจ้าไม่ สติปัญญาหรือยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจหมดเพราะาเรารู้ล่วงหน้าความเครียดความกังวลอะไรต่างๆก็จะเกิดตามมาขอบคุณพระเจ้าครับหลายคนนั้นอยากจะรู้ล่วงหน้าอยากจะรู้วิถีชีวิตของตัวเองก็ไปหาหมอดูทําให้เขาจะมีความกังวลเลยต้องไปสะดาะเคราะห์เลยต้องไปทําอะไรร้ายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่งมงายและ ผูกพันตัวเองอยู่กับไสยศาสตร์พีน่น้องครับอนาคตของเราวิถีทางของเรานั้นอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วเป็นคนที่พระเจ้ากําหนดไว้ล่วงหน้ า, ลนาและเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเรียกออกมาเพื่อที่จะเป็นลูกของพระองค์และมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่ยกจ้องพระเจ้ามีชีวิตที่เชื่อฝังพระเจ้าตลอดไปนี่คือแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแผนนี้ จึงไม่เป็นที่ประหลาดใจเพราะว่าแผนในชีวิตของเราแต่ละท่านแต่ละคนนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอาเมน